สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่ย1ครับบทเรียนจากสุภาษิตบทที่21ข้อหนึ่งถึงข้อที่หกโปรดฟังประวัชนะของพระเจ้าพระไทยพระราชาเหมือนทานน้าในพระหัตถ์ปรยาเว พระเจ้าจะทรงชักนำไปทางไหนก็ตามแต่จะโปรดทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจดูจิตใจการประพฤติชอบธรรมและยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานแด่พระยาเวมากกว่าเครื่องบูชาดวงตายโสและใจลำพองประทีบของคนอธรรมเป็นบาป แผนงานของคนขยันนำไปสู่กําไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผีผามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้การได้ทรับมาด้วยลิ้นมุสาก็คือหมอกที่จางหายและกับดักแห่งความตายพี่น้องขราพวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็สามารถเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดทั้งหข้อนี้ครับ ผมจะอธิบายเริ่มต้นตั้งแต่ข้อแรกได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้านั้นทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างรวมถึงการแต่งตั้งผู้ครอบครองกษัตริย์พระราชาแลในข้อนี้ได้บอกว่าน้ำพัดไทยของพระราชานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะชักนําได้ ตามแต่พระเจ้าจะโปรดนั่นหมายความว่าการที่ใครจะได้ครอบครองแผ่นดินนั้นอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าทั้งสิ้นครับน้ำพัดไทยของผู้ครอบครองแผ่นดินก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพราะฉะนั้นแม้ว่าทางของท่านจะถูกต้องในทางในสายตาของท่านเองแต่พระเจ้ารู้ครับว่าพระองค์นั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงตรวจสอบจิตใจมนุษย์ก็เหมือนกันครับทุกคนครับไม่แตกต่างกันกับปราชากับผู้ครองพระเจ้าสามารถนําแนวทางการตัดสินใจให้กับกษัตริย์ได้อย่างไรโปร่งก็ทรงนําแนวทางการตัดสินใจการวางแผนของเราให้กับเราได้ฉันนั้นเพื่อพี่บอกว่าเหมือนกับที่โปร่งทรงเบนทิศทาง ของน้ำโปรงทรงชักนำให้ไปทางไหนก็ได้ตามชอบพทัยของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงสร้างทรงกำหนดขอบเขตของทะเลขอบเขตของแผ่นดินขอบเขตมหาสมุทรพี่น้องครับเราจาเป็นต้องเชื่อว่าพระเจ้านั้นอยู่เหนือการแต่งตั้งพระราชาแต่งตั้งผู้นำเราจะได้ผู้นำที่ดีหรือไม่ดีก็พระองค์ ได้ทรงประทานให้เพื่อพระองค์จะมีโอกาสที่จะอวยพรเราหรือที่พระองค์จะมีโอกาสที่จะสอนเราลงโทษเราและนี่คืออำนาจสิทธิ์ขาดของพระเจ้าในการแต่งตั้งผู้นำและถอดถอนผู้นำให้เราไว้วางใจพระเจ้าครับถ้าผู้นำดีกลุ่มของเราประชาชนก็จะได้ผ่อนผู้นำไม่ดี นี่ก็เป็นการสอนของพระเจ้าที่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าและเป็นการสอนผู้นำและผู้ที่ติดตามผู้นำนั้นๆว่าเขาจะต้องแก้ไขเขาจะต้องกลับใจหาไม่การลงโทษจะมาจากพระเจ้าครับข้อที่สองครับข้อที่สองนั้นก็พูดถึงเรื่องต่อเนื่องกันครับว่าทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องแต่พระเจ้าดูที่จิตใจครับ ฉะนั้นการที่จะสรุปว่าใครดีหรือไม่ดีต้องรู้ใจเขานะครับก็ไม่ใช่ฟังคำนินทาอย่างเดียวหรือฟังหรือมองเห็นแค่นั้นพี่น้องครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นจงตรวจสอบแรงจูงใจจงตรวจสอบเหตุผลให้รอบด้านรอบครอบระมัดระวังก่อนที่เราจะสรุป พระเจ้านั้นปรารถนาให้เราทำอย่างนั้นคนเรานั้นมีแนวโน้มที่จะแก้ตัวสร้างภาพหลีกเลี่ยงบ่ายเบียงแต่อย่าลืมครับพระเจ้ารู้หมดพระเจ้าจะค้นดูเขาและตรวจตราจิตใจของเขาการทรงค้นจิตใจนั้นไม่จำกัดแค่กษัตริย์หรือเฉพาะกษัตริย์หรือผู้นำแต่รวมถึงทุกคนด้วยครับเพราะว่าพระเจ้าทรงทราบสิ่งที่อยู่ในใจ มนุษย์มองแค่ภายนอกพระเจ้าทรงช่างใจครับและการช่างใจของพระองค์นั้นถี่ท่วนหมายถึงว่าพระเจ้าทรงล่วงรู้ถึงแรงจูงใจความปรารถนาในใจได้เพราะว่าพระองค์ทรงสัพพันอยูพระองค์ทรงครอบครองอย่าคิดว่าเราจะโกหกพระเจ้าได้อย่าคิดว่าเราจะสร้างภาพต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าได้ ข้อ3ครับการประพฤติชอบธรรมและยุติธรรมเป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้ามากกว่าเครื่องบูชาก็เป็นการต่อเนื่องจากข้อที่2อครับอย่าคิดว่าเราจะหลอกพระเจ้าได้แต่การประพฤติชอบธรรมยุติธรรมต่างหากครับที่จะทำให้พระเจ้าโปรดปรานมากกว่าเครื่องบูชาที่คุณนำมาภายนอกดังนั้นเองพระเจ้าทรงใอ่เสียเอียน ต่อผู้ที่ถวายบูชาอย่างน่าซื่อใจคดพวกฟาริสีครับเป็นตัวอย่างที่ดีพวกนี้สนใจรายละเอียดด้านพิธีกรรมแต่ละเลยความยุติธรรมละเลยความเมตตาละเลยความสัตย์ซื่อนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเสียพระทยัยและพระเจ้าสะอิสเอียนเครื่องบูชาของเขาครับอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ24เรามาดูต่อนะครับในข้อที่4 ประทีบของคนชั่วร้ายเป็นบาปดวงตายะโสและใจลำพองประทีบของคนชั่วร้ายเป็นบาปปฏิบัตของคนชั่วร้ายหมายถึงอะไรครับถ้าเราพูดถึงดวงตานั้นเป็นประทีตของร่างกายนะครับปฏบของคนชั่วร้ายก็หมายความว่าดวงตาอัญโยโสที่แสดงถึงจิตใจลำพองภายในของคนชั่วร้ายนั้น ก็ทำให้เขาตกลงไปในความบาปพี่น้องครับความทะนงตัวความหยิงแยะโสนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่เพิพ่มพีได้รวมความคนที่ชั่วร้ายเขาจะมีอะไรบ้างคนที่ชั่วร้ายก็จะมีความทะนงตัวความเย่อหยิ่งความน่าเชื่อใจกด3อย่างครับคือสิ่งที่คนชั่วร้ายทุกคนมี อย่างนั้นเองวิธีการสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเราดูที่สายตาครับเพิ่งคุีบอกว่าดวงตายะโสเห็นไหมครับแสดงว่าสายตานั้นมันสามารถแสดงออกได้ถึงความยะโสโอหังของคนครับสายตาที่เต็มไปด้วยความยะโสจะฟ้องว่าภายในใจของเขาเต็มไปด้วยความลำพองเย่อหยิ่งมันฟ้องครับมันบอกครับเพราะฉะนั้น การโอร้อวดและความหยิ่งแย่โสเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเราไม่ควรมีขอพระเจ้าช่วยเราหยิบยกออกจากชีวิตของเราครับไม่ว่าเราจะมีอดีตที่ประสบความสําเร็จมากขนาดไหนไม่ว่าเราจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนหรือไม่ว่าเราจะมีสุขภาพหรือสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมากมายขนาดไหนขอให้เราที่จะ ยอมสยบอยู่ภายใต้พระเจ้ายอมถ่อมใจลงไม่อ้อวดเลิกครับความยิ่งแยะโสชีวิตที่โอ้อวดทะนงตัวซึ่งเป็นแก่นสารของคนชั่วร้ายพี่น้องครับเรามาถึงสองข้อสุดท้ายข้อที่5และข้อที่6ข้อที่หและข้อที่6นั้นก็พูดถึงความสำเร็จของคนเรานั้นอยู่การอยู่ที่การวางแผน ความสำเร็จความมั่งคั่งของคนที่วางแผนและทำงานอย่างขยันขังแข็งนี่ครับคือเป็นสิ่งที่คู่กันไปตรงกันข้ามกับพวกขี้เกียจครับคนขี้เกียจคนไม่รอบคอบขาดความระมัดระวังขาดความคิดในการวางแผนตัดสินใจโดยไม่มีแผนพวกนี้จะนำตัวเองไปถึงความยากจนนำตัวเองไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจนมุม พี่น้องครับคนที่วางแผนจะจบลงที่กําไรในทางตนข้ามคนที่ไม่รอบคอบคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่วางแผนสุดท้ายก็คือความยากจนครับการได้ทรัพย์สมบัติมาด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ถูกต้องอยู่ในข้อที่6ด้วยลินมุสาพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้จะทนอยู่ไม่นานครับทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจะอยู่ไม่นาน แผนการต่างๆที่การและการหลอกลวงก็ทนอยู่ได้ไม่นานแทนที่เขาจะมีชีวิตที่ซื่อสัตย์พอกินพอใช้สมถะและเชื่อฝังพระเจ้าเขากลับพบว่าเมื่อเขาได้ซับมาด้วยลิ้นที่มุซาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเขาพบตัวเองว่ากําลังอยู่บนถนนที่นําไปสู่ความตายซึ่งเป็นกับดักของมัน ผมจะขอสรุปในเช้าวันนี้ครับว่าวิถีชีวิตของทุกๆคนอยู่ในหน้ามัไทยของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำระดับไหนก็แล้วแต่เราจะต้องมีการประพฤติที่ชอบธรรมยุติธรรมเพื่อที่จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอย่ามีใจยะโสโอหังมีใจลำพองเพราะว่านี่เป็นวิถีชีวิตของคนชั่วร้ายเราจะต้องถ่อมใจลง ขยันขันแข็งในการวางแผนงานและมอบแผนงานนั้นไว้กับพระเจ้าอย่าใจร้อนอย่าผีแผามอย่าอยากรวยเร็วเพราะว่าการอยากรวยเร็วก็จะนำมาซึ่งกับดักแห่งความตายการหาเงินอย่างมิชอบเท่ากับการเดินหาความตายขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องทุกท่านครับอาเมน